นำพาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัง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 ส, สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับมาพบกับรายการทันโลกทันเหตุการณ์นเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมา คุยกันในช่วงนี้นี่จากการเปิดเผยของหมอทวีสินโฆษสกสบคเมื่อวันที่18พฤษภาคมบอกว่าคลัสเตอร์ใหญ่ๆในกรุงเทพนะที่จะกระจายเชื้อโควิด -19 นี่ยที่น่ากังวลมีอยู่21คลัสเตอร์แล้วครับส่วนใหญ่ก็อยู่ใน19เขตของกรุงเทพที่ต้องจับตามองเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแคมป์คนงาน ก่อสร้างนะครับที่เขตลัก4ี่นะครับซึ่งมีการตรวจเมื่อวันที่17พฤษภาคมจะคนงาน 1,600 คนพบติดเชื้อ1 1 0่อคนคิดเป็น 66% เปอร์เซ็นะครับของของจำนวนคน ง, งานซึ่งก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่น่าจับตามองก็คือเขตจตุจักรซึ่งมี เรือนจำของรัชทันอยู่เพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงอาจจะต้องต้องจับตามองแล้วครับนะเคมาไซก่อสร้างต่างๆเพราะมีคนงานของต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่มากนะในกรุงเทพนี่ก็อย่างที่รู้นะครับว่าโดยเฉพาะ พ, พะมา่ามามาอยู่ในไซคนงานก่อสร้างนี่มากเลยทีเดียวนะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับนะแล้วก็ในขณะที่ ในส่วนของนายงตรีนะครับมีการประชุมออนไลน์กันวันที่18พฤษภาคมนะก็มีที่ประชุ ม, อมอคอรมลผลเอกประยุทธ์ในนายงตรีได้สั่งเบรกเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนแบบ w a ล k i อินะครับนะว่าใ ห, ให้ชะลอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัคซี น, นไม่พอหรือกระจายไม่พอนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะใช้การที่ให้เกิดความชุดละมุนก็ได้นายงตีก็พูดอย่างนั้นนะครับเพราะนี่ตรงนี้ก็คือยังไม่มีการฉีดแบบ Walk-in นะครับนะตามที่บอกแต่ว่าอยากจะใช้รูปแบบใหม่อย่างเช่นการใช้การเป็นลงทะเบียนณจุดที่ตั้งนะที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ให้ยึดแอปพลิเคชันหมอพร้อม นะไว้ก่อนนะก็คือนะก็ให้ไปลงทะเบียนนะแล้วก็มีการนัดหมายการฉีดน่แหละครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ในส่วนของผู้เกี่ยวข้องก็อาจจะนำไปปฏิบัตินะครับตามที่นายยงตรีได้ไ ด, ได้ได้มีการมอบหมายในะที่ประชุมคอรอ ม, มซึ่งนายกก็บอกว่านะการฉีดวัคซีนนะที่ประกาศไว้ว่าระแห่งชาตินี่ก็จะให้มีมีการ ฉีดใน3ช่องทางก็คือตอนแรกนี่ก็จะให้ผ่านระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะลงทะเบียนไว้แล้วประมาณ7ล้านคนสำหรับผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยเรื้อรังใน7กลุ่มนะครับแล้วหลังจากนี้อีกช่องทางหนึงก็จะหลังจากนี้ไปก็จะให้คนที่อายุต่ำกว่า60ปีมาลงทะเบียนได้ในวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับาช่องทางระบบหมอพร้อม นะเพื่อให้เข้าถึงให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีจุดบริการฉีดวัคซีนที่เรียกว่า on-site registration นะก็คือให้มาลงทะเบียนนะครับแล้วก็นัดหมายเพื่อมาฉีดและอันที่สามก็คือการกระจายวัคซีนเชิงยุทธศาสตร์ก็คือมีการจัดสรรวัคซีนไปในกลุ่มเฉพาะนะที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ทหารตำรวจข้าราชการผู้ขับขี่รถนะเกี่ยวกับส่งสิ่งของซึ่งเราก็ไม่ว่าจะเป็นแกป๊ปเป็นลายเป็นอะไรต่างๆนะครับนะผู้ขับขี่ส่งสิ่งของได้ละครับนะแล้วก็จะมี อ, อื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นีน่ตรงนี้นี่ก็จะระดมฉีดโดยเฉพาะในกรุงเทพที่บอกว่าจะฉีดให้ได้5ล้านคนภายใน2เดือนนะครับนะหรือร้อยละประมาณ เจ็ดสิบของประชากรเพื่อให้เกิดแรงภูมิคุ้มกันหมู่เพราะว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของนายยงตรีนะก็สั่งการไปที่กรทมซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องติดตามดูแลครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนี่นางสารตรีนุชเทียนทองน้ำตรีศึกษาบอกว่าจะเลื่อนเปิดเทอมไปวันที่14มิถุนายนนะครับเพราะว่า ที่วางไว้ตอนแรกดึงพืชมิถุนาดีอย่างไม่พร้อมนะสถานการณ์การระบาดยังรุนแรงอยู่ก็จะบอกว่าจะเลื่อนออกไปนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงคนที่เป็นผู้ปกครองก็คงจะต้องก็คงจะต้องดูแลครับว่ า, ว, าว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็แต่ละส่วนนี่ก็ทำงานกันนะครับนะเร่งตามมาตรการนะครับหลายๆคนนี่ก็จะเห็นว่ามีในส่วนของอสอมม นะครับนะเจะนะ้าหน้าที่เนี่ยมาสอบถามชาวบ้านในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มมีการม า, าลงทะเบียนยฉีดวัคซีนกันนะครับโดยอสอมออ ก, ก็จะเป็นคนมาสำรวจแล้วครับนะโดยเฉพาะสำหรับชาวบ้านที่ยังไม่มีระบบหมอพร้อมอยู่ในมือถือทำไม่ได้นะครับแล้วนะนะก็จะต้องพึ่งอสอมกันแหละครับนะวันที่19พฤษภาคม ที่ผ่านมานี่ผู้ช่วยโคสษกสบคแพทย์หญิงอภิสมัยถแถลงบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้ อ, อใหม่อยู่3 3มพอยคนนะส่วนใหญ่มาจากเรือนจำแล้วครับนะมาจากเรือนจำวันประมาณ 1,498 คนนะและที่เหลือก็มาจากที่อื่นๆนะครับก็เป็นยอดที่มาจากเรือนจำเป็นหลักนะซึ่งตอนนี้นี่ ไทยเรามียอดผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1,16,000 ลรายแล้วนะครับนะนะจากตั้งแต่มีโควิดระบาดมานะครับแล้วก็บอกว่ า, ามีจำนวน 1,000 0แเนี่ยก็หายป่วยไปแล้วนะรักษาจนหายไปประมาณ 70,000 นะก็รักษาไปเรื่อยๆนะครับนะแ ล, แล้วก็มีพวกที่ป่วยหนักอยู่ประมาณ 1,200 กว่าราย ใส่ท่อช่วยหายใจประมาณ402รายนะครับเสียชีวิตไป29รายนะครับนะในช่วงวันที่19พฤษภาคมนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจังหวัดในแถวกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักนะครับนะเพราะฉะนั้ น, นี้ตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนการป้องกันไวรัสที่จะมาจากต่างประเทศเนี่ยก็มีการ สกัดกันนะครับนะสำหรับคนที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศนะรองผู้ช่วยโฆษกสอคบอก็บอกว่าวนะันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี่มีคนเดินทางมาจากต่างประเทศ17บเจ็ดลายมีอินเดียอยู่1นหนึ่งลายนะครับนะซึ่งนะตรงนี้นี่ก็บอกว่าติดเชื้อนะครับแนตะ่ต้องเร่งนะมีการรักษาเพราะว่าวารัตนะสายพันธ์อินเดียนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรง นะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้ที่ามาจากทางกัมพูชาทางพมา่าทางอะไรต่างๆคือรอบบ้านเราเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะต้องมีการกลักตัวตามมาตรการนะครับนะตามมาตรการต่างๆมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ พ่อหน้ากันหากเดินแต่ก็มาเจอบว่า้คิดหลาจนบ่เป็นอันทำงานเศรษฐีเมืองไทยชาไปโรครายเล่นงานะใส่แม่เท็ดเวียกอยู่บ้านอยู่ภยัยอยู่มา ทางรอดตายอย่าอยู่ใกล้ภายอย่าให้ผู้ดใดใกล้เธอบ่แม่นห่วงเดือยานเจอโควิดจากคนชิดใกล้ส่วนไอ้หนือใช้เจลล้างมือคุณเด้กก่อนลาหักแหงแพงปานหัวใจให้เจ้า ปลอดไทยเดินล่าขอแรงคนไทยต้านไทยรุ่งรานหากันและมีสติมีหนทางฝ่าคอยเบิกหน้าจอรอไอออนไลน์ส่งหายัางเอาเดออาสัญญาเมื่อโควิดซา ที่มา ส่วนอายาฤกษใช้เจลล้างมือคุณเด็กก่อนลลยหักแหงแพงปานหัวใจให้เจ้าปลอดภัยเดินลาขอแรงคนไทยต้านไทยรุ่งรานหากันและมีสติมีหนทางฟ่า คอยเบิงหน้าจอรอไอออนไลส่งหายัาเงเอาเดอ้ยสัญญาเมือ่อคอบิดซาสิมากอดหนา้าแพงทิ้งรอไอเดินลาเมือ่อคอบิดซาสิมาคิดดอกหูเ้า พูดมาคุยกันต่อนะครับนะว่าจะทำอย่างไรในส่วนของนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรวิทยาคลินิกคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์นะครับนะก็มาบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคโควิด -19 เนี่ยนะเมื่อหายแล้วสามารถที่จะกลับซ้ำนะ กลับมาเป็นซ้ำได้อีกเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยจะเริ่มลดลงหลังจากหาย6กเดือนจะลดลงเรื่อยๆดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไวรัสโควิดหายแล้วก็จ ะ, ะควรจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย1นึงครั้งนะขึ้นกับระยะเวลาที่หายป่วยถ้าเพิ่งหายป่ว ย, ใ น, ยในระยะช่วงสามถึงหกเดือนก็ควรจะได้รับอย่างน้อยหนึ่งครั้ง นะครับนะเพราะฉะนั้นในแต่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเห็นของของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสรุปแล้วนี่ถึงแม้รักษาหายแล้วก็ยังยังต้องเฝ้าติดตามอยู่นะครับนะเฝ้าติดตามอยู่มีต้องมีการฉีดมีการอะไรต่างๆนะก็ก็เป็นความเห็นของของนายแพทย์ยงผู้ละวันผู้เชี่ยวชาญนะครับนะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของของของวัคซีนสำหรับผู้ที่ประกันตน ในระบบประกันสังคมตามมาตราสาบสาเนี่นะยนายงตรีพลเด็กประยุทธ์ก็บอกว่าผู้ประกันตนตามมาตราส3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนก่อนนะครับนะเพราะว่าเป็นกลุ่มขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของของประเทศนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะจะฉีดให้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเหมือนกันสําหรับผู้ที่จะ อยู่ในกลุ่มประกันตนตามมาตรา33นสบนายกก็ววาอย่างนั้นแล้วก็ไปติดต่อกันได้นะครับนะซึ่งนอกจากคนที่อายุ60ปีแล้วก็กลุ่ม7โรคเรื้อรังแล้วก็ยังมีกลุ่มนี้จะเปิดให้ฉีดได้นะครับแล้วก็ากนอกจากนี้นี่ก็ยังจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการให้แต่และบริษัทนะกระจายไปฉีดให้กับคนงานพนักงานใน9จังหวัดเศรษฐกิจ นะซึ่งจะเร่งฉีดนะก็คงจะมีจังหวัดใหญ่ๆที่มีนะโรงงานอุตสาหกรรมแหละครับนะว่าจะเร่งฉีดเพื่อที่จะให้มีการกระจายนะวัคซีนกันไปให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องนะดูกันต่อไปนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้7 0 0 0 0ล้านในนายจุลินทร์ลักษณะวิสิตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายมงตรีก็ได้กล่าวว่าคลม อ, อนุมัต พระราะกำหนดเงินกู้เพิ่มอีกเจแสนล้านนะครับซึ่งก็จะไปเน้นช่วยภาพรวมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะซึ่งไปงบลงทุนประมาณ7จ็ดแสนล้านนะซึ่งเงินกู้นี้ก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดด้วยจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเครื่องมือแพทย์นะแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับนะซึ่งก็จะมีการแบ่งกันเป็นส่วนๆนะครับซึ่ง รองนายกรีก็บอกว่าจ ะ, ะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจใ ห, ให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ต้องติดตามดูเพราะว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับส่วนในอนุชาบุรพาใช้สีโพสกสำนักนายกก็ออกมาตอบคำถามที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตว่า ง, งบกระทรวงสาธารณสุขได้น้อยกว่ากำลังโฮมห้า0มื่นล้านก็บอกว่าไม่สามารถที่จะเทียบกันได้นะเพราะว่า ใช้ในภารกิจต่างกันนะกลาโฮนี่มีงบประมาณประมาณสองแสนล้านในขณะที่สาธารณสุขเสนองบประมาณ153 0 0แพันกว่าล้านบาทนะครับซึ่งนอกจากนี้นี่ก็ยังยังมีงบอื่นๆที่มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของสาสุขด้วยนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่โคษุกสำนักนายรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจง นะครับซึ่งต้อง ต, ติดตามดูนะครับผลการเปิดสภาแล้วจะอนุมัติงบกันประมาณเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการเปิดสภามีการอภิปรายกันก่อเราจะได้รู้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององบประมาณนะครับทั้งในส่วนของงบปกติแล้วก็เงินกู้ประมาณ 70,00 700, แสล้านนะครับที่จะมาแจกแจงมาชี้แจงกันในสภาสําหรับวันนี้นะครับเวลา ของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่สำหรับวันนี้ผมนิรันกุ้กุลธนันต้องขอลาท่านคนไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ คือเก่าละนนอายทางนั้นเป็นจังได้ใส่เจีวลังเมื่อรบอกยานโรคตีโตมันคอยรอบกวนใจอายยามอยู่ใกล้กันก็ปิดรูปรา้านน้องเป็นห่วงหลายชีวิตห้อยบนเส้นได้แต่จังได กยายาตอต้ตองทารกปัฟ้าสดใสโควิดมันคงหายไปกลับมาสู่ฝันวันรอถึงน้องอยู่ไกลแต่แรงใจคงให้มากพอวันนี้ขอใจแม่รอวันที่พบพอ